หนึสัตจะที่มีทั้งสองโลกคือโลกียะและโลกุตระผู้ที่ปฏิบัติเพื่อจะบรรลุความจริงคือสัตจะที่ได้รู้แค่ความจริงที่รู้ได้ด้วยสัญญาเท่านั้นซึ่งยังไม่ใช่ความจริงที่รู้ได้ด้วยปัญญาจึงต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญมาก ตามปรมาธิธรรมที่ผู้สามารถรู้จักจิตเจตสิกรูปกายขั้นอย่างรู้รูปในนามธรรมจริงๆนี่ก็ลึกลับขั้นหนึ่งแล้วยังจะต้องรู้จักรู้แ จ, จ้งรู้จริงความจริงที่เป็นโลกียะและความจริงที่เป็นโลกุตระอีกด้วย เพราะความจริงศสตรธรรมที่ต้องเรียนรู้จากธรรมะสองทวธรรมาก็มีทั้งสมมุติศัจจะและปรมาตัสศัจตมีทั้งโลกและอัจจาอยู่ทั้งสองพร้อมมีทั้งโลกียธรรมและโลกุตรธรรมด้วยสำหรับผู้มีปรมาตัสศัสตจะแท้ก็คือ มีทั้งโลกิยภูมิและโลกุตรภูมิแล้วสามารถปฏิบัติกระทั่งเป็นผู้บรรลุสัจจะที่เป็นธรรมะขั้นโลกุตรสัจจะจึงจะเป็นผู้มีโลกุตรธรรมสําหรับผู้บรรลุความจริงสมบูรณ์ก็คือผู้บรรลุธรรมที่เป็นธรรมมาทิปไตยนั่นคือ ผู้มีพลังงานจิตยอยู่เหนืออำนาจโลกโลกาที่ปจัจจยและอยู่เหนืออำนาจอัตตาอัตตาที่ปจัจจยในขณะที่มีทั้งอำนาจโลกและทั้งอำนาจอัตตาอยู่ในสังคมในโลกนั่นเองไม่ได้หลบหรือหลับหนีโลกหนีอัตตาไปไหนขณะนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องที่ เจ้าชายสิทธัตถะกำลังตามหาความจริงหรือสัจธรรมซึ่งเป็นสมมุติสัจจะอยู่ขั้นหนึ่งแล้วคือคนมากหลายต่างเชื่อว่าพระองค์นั่นแหละเป็นเจ้าของสัจธรรมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าชันนี้ก็เป็นแค่สัจจะที่เป็นสมมติสัจจะแต่พระองค์ก็ยังระลึกเอาสัจธรรม ที่เป็นปรมาษฎสัจนั้นขึ้นมาไม่ได้ว่าพุทธธรรมเป็นอย่างไรอย่าลืมว่าขณะนี้เรากําลังกล่าวถึงอยู่นี้คือขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะยังไม่พบพุทธธรรมซึ่งพุทธธรรมก็ของพระองค์เองแท้ๆนั่นเองและพระองค์เองก็กําลังค้นหาในโลกขณะนั้น จึงยังไม่มีพุทธธรรมเกิดขึ้นในโลกเจ้าชายสิท ธ, ธาฯยังทรงตามหาอยู่อย่างมุ่งมั่นขมักขมัน